เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีในวัดเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของท่านสมาชิกพันธิพท่านหนึ่งได้เล่าไว้โดยเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนของผมคนหนึ่งตัดสินใจบวชที่วัดแห่งหนึ่ง เมื่อผ่านพิธีต่างๆจนเย็นพระพี่เลี้ยงก็บอกให้ไปหาห้องนอนห้องที่พูดถึงเป็นกุฏิหลังเล็กๆปลูกเรียงๆกันประมาณห้าหลังพระพี่เลี้ยงบอกให้พระใหม่ไปนอนกุฏิหลังที่สองเมื่อพูดเสร็จแล้วก็ขอตัวไปทำธุระพระใหม่ก็เกรงใจ เดินไปกุฏิหลังที่สองโดยไม่รู้ว่ากุฏิหลังอื่นๆมีใครพักอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เห็นพระรูปอื่นอยู่แถวนั้นเลยในกุฏิเล็กๆ เ, เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเป็นที่นอนอันเดียวอยู่ที่พื้นรอบๆอบห้องไม่มีอะไรทั้งนั้นจะมีก็แต่โต๊ะเก่ า, กาตัวหนึ่งและอีกมุมก็เป็นห้องน้า พอดีเวลานั้นเป็นช่วงปลายปีอากาศไม่ร้อนพระใหม่เลยไม่กังวลว่าในห้องจะมีพัดลมหรือเปล่าเมื่อพระใหม่อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็จำวัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ที่ได้รับจากตอนทําพิธีบวชเมื่อตอนเช้าขึ้นมาอ่านสวดสวดท่องท่องอยู่อย่างนั้นจนง่วง แล้วหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พระใหม่หลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องปังปังปังพอรู้สึกตัวตื่นก็สงสัยว่าใครกันมาเคาะประตูเรียกจึงลุกขึ้นมาเดินตรงไปที่ประตูพื้นกุฏิเป็นไม้กระดานจะมีเสียงเดินเอียดเอียด กว่าจะถึงประตูก็ดังไปหลายเอียดพอเปิดประตูออกก็ปรากฏว่ามีแต่ความมืดไม่มีใครอยู่ตรงประตูบรรยากาศรอบตัวก็เงียบสงดด้วยความง่วงพระใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากปิดประตูแล้วกลับไปนอนคิดว่าเพราะตัวเองหลับอาจจะหูแว่วไปก็ได้ จึงเอนตัวลงนอนต่ออีกสักพักเดียวเท่านั้นก็มีเสียงเคาะประตูปังปังปังปังปังทีนี้ได้ยินชัดเจนและยังไม่ทันได้หลับใครกันนะมาเคาะประตูดึกดึก ด, ดื่นๆแบบนี้พระใหม่ลุกขึ้นเดินไปดูที่ประตูเมื่อเปิดออกก็ไม่เห็นใคร จึงชะโงกซ้ายชะโงกขวาก็ไม่เจอใครสักคนเสร็จแล้วก็ปิดประตูกลับกดลูกบิดแล้วก็เดินกลับมาตรงที่นอนระหว่างเดินก็ได้ยินเสียงเอียดเอียดของไม้กระดานจึงทำให้ฉุก ค, คิดว่าถ้ามีใครมาที่ประตูจริงทำไมตัวไม่ได้ยินเสียงลั่นของไม้กระดาน ที่เกิดจากการเดินถึงตรงนี้ก็เอาละเริ่มออกอาการขนลุกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเริ่มหวาดระแวงความมืดรอบตัวแต่ก็พยายามข่มใจนอนหลับตาให้ได้แม้ว่าประสาทตอนนี้ตื่นตัวเต็มที่พยายามข่มใจอย่างไร หูก็พยายามตั้งใจฟังเสียงรอบตัวเมื่อนอนไปสักพักลุ้นว่าจะมีเสียงเคาะประตูอีกหรือไม่เพียงแป๊บเดียวเสียงนั้นก็มาอีกแล้วปังปังปังหลังจากที่เสียงนั้นดังขึ้นพระใหม่ถึงกับตัวชารู้สึกเครียดอย่างเห็นได้ชัดตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไร จะปล่อยให้เสียงเคาะดังไปเรื่อยๆหรือจะทำใจสู้ลุกขึ้นไปเปิดประตูตอนที่กําลังนึกอยู่นั้นเสียงเคาะระลอกสองก็ดังมาอีกปังปั้งปังปั ง, ปงพระหม่เหงื่อแตกพลักแต่รู้สึกหนาวเย็นอย่างบอกไม่ถูกรู้เลยว่าพาห่มที่คลุมอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แม้ว่าสภาพจิตใจจะแย่ขนาดนั้นก็ยังพยายามข่มใจลุกขึ้นไปที่ประตูอีกครั้งเอียดเสียงเปิดประตูดังลัน่นพระใหม่ชะโงกหน้าดูซ้ายขวาก็ไม่เห็นใครอีกเอ้าวะเอาไงเอากันพระใหม่บอกกับตัวเองงับประตูกลับคืน แล้วฝืนยืนอยู่ตรงนั้นกะว่าถ้ามีเสียงเคาะประตูดังอีจะเปิดพวกออกไปให้ผีมันตกใจเมื่อยืนรออยู่อย่างนั้นใจก็หลุนระทึกว่าเมื่อไรจะมีเสียงเคาะสักทีในใจก็นึกไปต่างๆนานาว่าตัวเองหูแววหรือผีมันมีจริงๆคิดไปต่างๆนานา แล้วกวาดสายตามองไปรอบห้องชักสงสัยว่าตอนนี้ผีมันมาอยู่ในห้องอยู่ข้างๆตัวแล้วหรือยังแต่แล้วก็เป็นไปอย่างคาดปังปังปังปังเสียงเคาะประตูดังอีกแล้วพระใหม่กลั้นใจเปิดประตูออกดังพวัว เสียงอุทานดังสวนกลับมาทันทีเอง็งเอง็งเอง็งเอง็งเอ็งถึงแม้จะเป็นตอนกลางคืนความมืดปกคลุมไปทั่วพระใหม่ก็เห็นหมาตัวหนึ่งหุ่นย่างหมาไทยอิดด่างลายจุดนั่นแหละมันกระโดดโยงขึ้นมาจากท่านอนที่กำลังใช้เท้าเกาหลังหูอยู่มันวิ่งพลุบลงไปทางบันไดขึ้นกุฏิโท่ อิห ม, มาพระไมสะบทและเริ่มประติประต่อเหตุการณ์คือหมามันขึ้นมานอนหน้าประตูแล้วเกายิกๆขาหลังที่เกาก็ดีดประตูเสียงดังปังปังปังปังแต่พอได้ยินเสียงคนลุกขึ้นมามันเลยรีบวิ่งหนีลงกุฏิไปแต่พอเสียงเงียบมันก็กลับขึ้นมานอนที่เดิมอีกแล้ว แต่พอเสียงเงียบมันก็กลับขึ้นมานอนที่เดิมอีกก็แค่นั้นแหละและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ